ตอนนี้สัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะมันมีข้ออหนึ่งที่ที่ควรจะแก้ไขเลยเนี่ยนะเราชอบร้องเรียกหาความดีจากคนเลวเนี่ยนะมันเป็นอะไรนะเขาน่าจะดีอย่างนั้นเขาน่าจะดีอย่างนี้ร้องเรียกหาความสุจริต จ, จากคนที่ทําทุจริตเรียกว่าอะไรนะไปหาซื้อข้าวซื้อของในทะเลทรายอย่างเง้ย น, นะคือเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้นอ่ะนะในตลาดที่ที่ถึงตลาดนี้ไม่เอา พอถึงทะเลทรายแล้วอันนั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะซื้ออันนั่นก็จะหาอันนี้ก็อยากได้ฉันใดสแสวงหาความดีจากคนมีกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่พบฉันนั้นเหมือนกับแสวงหาดอกมะเดือ่อไม่มีใครหาพบคเรว่าหรือพบได้ยากฉันใดความดีในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยากโดยเฉพาะสัตว์ที่มีราคะโทสะโมหะยากคิดว่าเขาจะดีได้ไง่าย ยากมากจะต้องมีการฝึกนะนะจะต้องฝึกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนาฝึกด้วยสมถะและวิปัสนาฝึกให้ตรงเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนแล้วนั่นแหละจึงจะดีถ้าไม่ได้รับการฝึกอย่าหวังว่าเขาจะดีหรือดีก็อย่าคิดว่าจะดีแล้วดีทนหรือดีตลอดการหรือหรือว่าดีตลอดไปหวังไม่ได้เลยถามว่าทำไม เพราะไม่มีเครื่องอบรมบ่มอุปนิสัยไม่มีเครื่องอบรมบ่มอัธยาศัยพอที่จะให้อัธยาศัยเขาดีได้ซึ่งทีนี้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะพระอาหารหันต์คือผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งพระองค์ค่อยๆขจัดกิเลสเนี่ยนะถ้าหากว่าพระอาหารหันต ก่อนที่จะถึงพระทหารก็คือเป็นพระอน า, าคามีก่อนที่จะถึงพระอนาคามีก็คือพระสะกะทาคามีก่อนที่จะถึงพระสะกทะาคามีก็คือผู้พระโสดาบันก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันคือคนที่ข้ามโคดของปุถุชนไปคือเราพ้นโครปุถุชนออกไปเรียโคตรภูเนี่ยนะข้ามโครปุถุชนไปก่อนที่จะมาข้ามโคดปุถุชนเนี่ยแสดงว่าคนที่วางเฉยในสังขารทั้งหมด ก่อนที่จะวางเฉยในสังขารได้จริงเพราะเขาอยากจะออกอย่างแรงกล้าก่อนที่จะออกจากสังขารอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นคนที่เอียน น, นะนะเรียกว่าเบื่อหน่ายในสังขารอย่างแรงกล้าก่อนที่เขาจะเบื่ออย่างนั้นเขารู้โทษของสังขารเป็นอย่างอย่างดีอย่างแรงมากเลยนะที่เขาเห็นโทษเพราะอะไรเพราะเขารู้ภยัยรู้ภัยที่มาจากสังขารก่อนที่เขาจะเห็นภัยเนี่ย เขาเห็นความเป็นอนัตตาเขาเห็นความเป็นทุกข์เขาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะเห็นอย่างนั้นน่ะไม่เขาแยกแยะว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางอะไรเป็นทางแห่งวิวัตะและอะไรเป็นทางแห่งวัตะทางแห่งความทุกข์เป็นยังไงทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นยังไงเรียกว่าแยกมัคคะมัคคะเป็นทางและไม่ใช่ทางจําแนกแยกแยะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยใครควญเนี่ยนะ ใค่ครวรตีรณะใค่ครวรสังขารเห็นสังขารทุกชนิดว่าสารพัดสังขารสะท้อนออกมาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์สังขารทุกชนิดเป็นเหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนลูกสอนเป็นความละมาเป็นความเจ็บไข้เป็นนางผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะเป็นของที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความที่ไรรำพันความไม่สบายกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจหรือก่อนที่เขามองเห็น จุติและปฏิสนธิมองเห็นสังสารวัตรมองเห็นกระแสแห่งสังสารวัตรมองเห็นภพสามมองเห็นกำเนศสี่มองเห็นคติ5มองเห็นวิญญาณทิติเจมองเห็นสัตววาด9มองเห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่จุติและอุบัตทั้งสัตว์ที่ได้ดีและตกยากเนี่ยนะสัตว์ที่ได้ดีและตกยากสัตว์ชั้นเลวแล้วก็ประณีตสัตว์ที่มีผิวพันธ์ดีและมีผิวพันธ์สาม แยกแยกออกอย่างเระว่าละเอียดเลยว่าสัตว์ที่มีผิวพันธุ์เลวเพราะมีโทสะสัตว์ที่มีผิวพันธุ์ดีเพราะมีเมตตาสัตว์ที่ได้ดีเพราะมากด้วยอะโลภะสัตว์ที่ตกยากก็มากไปด้วยโลภะสัตว์ที่ประณีต ช, ชั้นดีก็เพราะมีปัญญาอย่างเลวก็เพราะว่าขาดปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยทำให้เลวแล้วก็ตกต่ำ แยกแยะเลยว่าอันไหนเป็นผลของกรรมดีอันไหนเป็นผลของกรรมชั่วอะไรเป็นผลของสุจริตอะไรเป็นผลของทุจริตที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีความเห็นที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมีความเห็นที่บริสุทธิ์ยะถาภูตะญาณทัศนะมองเห็นพูดคือความจริงน่ยนะความจริงมีอยู่ประมาณเท่าใดพระองค์มองเห็นความจริงโดยประการเท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์มีจิตตั้งมั่นแล้ว เป็นผู้มีกายสุดจริตวจีสุดจริญอาชีพที่สุดจริญคู่ควรที่จะรองรับคุณธรรมทั้งปวงซึ่งหนทางอันนั้นก็คือวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลมีความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ทางใจบริสุทธิ์ทางความคิดเรียกว่าจิตตวิสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ด้วยอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิมีความบริสุทธิ์ ด้วยทิฏฐิวิสุทธิบริสุทธิ์ทางทิฏฐสนาคติเนี่ยนะคือทัศนคือทิฏฐิพระองค์มีเป็นคนที่มีทัศนคติที่บริสุทธิ์เข้าใจทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงความจริงของสิ่งนั้นนะคืออะไรพระองค์มองเห็นความจริงอ น, นั้นอย่างตลอดสายและข้ามพ้นความสงสัยในความจริงเหล่านั้นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระองค์จึงไม่ไม่สงสัยในอดีตอนาคตและ ปัจจุบันเพราะมองเห็นทั้งเหตุทั้งผลมองเห็นทั้งความเป็นไปของสังขารธรรมในพบสามเป็นอย่างดนะีที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พระองค์ใคร่ครวญสังขารทุกชนิดอย่างละเอียดเนี่ยนะสังพิจารณาใคร่ครวญสังขารทุกอย่างอย่างละเอียดทีท่วนเนี่ยนะนะจนพิจารณาอย่างไงก็หาความเที่ยงจากสังขารไม่เจอค้นหายังไงจะหาความสุขจริงสุขแท้ จากสังขารก็ไม่เจอค้นหาว่าเป็นอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาในสังขารก็ไม่เจอเจอแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เนี่ยนะเป็นของที่เศร้ามองเกลือกกลั้วด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะอย่างเช่นแบบที่คุ้นเคยกันก็คือเป็นสิ่งที่เกลือกกลั้วไปด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยและ ความตายในที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรารพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยคิดดูว่าทุกเรื่องในที่สุดจบลงด้วยความไม่สบายใจโดยมากเว้นไว้แต่คุณธรรมเว้นไว้แต่อริยะธรรมสังขารที่เหลือทุกอย่างในโลกนี้โดยมากจบลงด้วยที่ความไม่สบายใจพระองค์ก็ไข ค, ครวญอย่างพิละเอียดถี่ท้วนพระองค์แยกออกว่าอะไรเป็นทางของวัตตะและวิวัตตะ และพระองค์เห็นอย่างนั้นพระองค์รู้ภัยของวัตตะเป็นอย่างดีเมื่อพระองค์เห็นภัยพระองค์ก็รู้โทษเมื่อพระองค์เห็นโทษพระองค์ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายพระองค์ก็น้อมไปเพื่อที่จะหลุดพ้นไอการที่น้อมไปเพื่อหลุดพ้นเนี่ยถ้ายังหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็หาช่องทางหาช่องทางในที่สุดก็แค่ก็วางเฉยในสังขารด้วยปัญญาแล้วก็ข้ามโคตรจากปุถุชนด้วยโคตรภูญานเนี่ยนะ เป็นพระสโสดาบันประชุมอารยมรักได้สำเร็จเป็นพระสโสดาบันให้สำเร็จเป็นพระสโสดาปฏิผลแล้วก็เจริญวิปัสนาอีกเพื่อสกทาคามีมรักได้ผลออกมาคือสกทาคามีผลเ <ME U TER 1> มื่อเป็นพระสกะทาคามีแล้วพรงก็เจริญวิปัสนาเนี่ยนะ <S <S เพื่อให้เป็นพระอนาคามีได้รับผลเป็นอานาคามีผลแล้วก็เจริญวิปัสนาจนได้ อรหัตตะมัชได้รับผลคืออรหัตตผลพระองค์คือผ้าอรหันนั้นวิปัสนาเนี่ยนะอย่างไล่ตั้งแต่บเบื้องต้นพระองค์เนี่ยนะข้ามพ้นความทุศีลด้วยศีลวิสุทธิข้ามพนาม้ น, มพนความฟุ้งซ่านข้ามพ้นนิวรณ์ทั้งหลายด้วยจิตตวิสุทธิข้ามพ้นทิฏฐิวิบัติตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิเนี่ยนะด้วยศีลสมาธิปัญญาและประชุมศีลจนบริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณด้วย โซดาปฏิมักเนี่ยนะประชุมอีกว่ามีศีลสมาศีลบริบูรณสมาธิบริบูรณ์ด้วยอนาคามิมักแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยอรหัตตผลเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นพระทหารผู้ที่ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราอันนี้มันเป็นเป็นเป็นผลเหมนกันถ้ากล่าวว่าเป็นผลก็เป็นผล ผลของอะไรผลของบารมีสิบของพระองค์ที่ปฏิบัติมาในอดีตเพราความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่เพิ่งมีในชาติสุดท้ายมาประพฤติปฏิบัติได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์มาตั้งแต่อดีตแล้วพระองค์ให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนะเจริญเนฆัมมะเจริญปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเจริญบารมีสิบ เจริญด้วยความบริสุทธิ์ใจถามว่าบริสุทธิ์ใจนั้นบริสุทธิ์อย่างไรเพราะความบริสุทธิ์หมายคือว่าพระองค์ต้องเจริญสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อสัพพัญยุตยานเจริญคุณธรรมเหล่านั้นเพื่อภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พันความบริสุทธิ์สูงสุดคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากความบริสุทธิ์ที่มาจากข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติคือการเจริญบารมีของพระองค์นั้นทําด้วยความ สุจริตอย่างแท้จริงสุดจริตกายสุจริตวาจาและสุดจริตใจเนี่ยนะมีแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติยาวนานจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ดํารงอยู่ในภาวะแห่งผู้บริสุทธิ์มันจนําแนกในฐานะภาวะของผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์ผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอย่างข้อความโดยสรุปที่มาจากอัตถกาถาและดีกาเนี่ยนะ ใน เ, เล่มบทสรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยนะหน้าหนึ่งรหนึ่งที่กล่าวว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะการประพฤติปฏิบัติเยี่ยงคนมีกิเลสทั้งหลายไม่มีนะคนมีกิเลสคือพระอรหันต์เนี่ยน ะ, ะโดยเฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ชนิดที่เรียกว่าไม่เหลือกลิ่นอายแห่งกิเลสเลยก็บอกอะไรนะ ภาชนะบางอย่างเนี่ยถึงล้างสะอาดแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีกลิ่นโชยออกมาบ้างนะภาชนะบางอย่างไะภาชนะที่ใส่ของบางอย่างเนี่ยนะถึงล้างสะอาดเช็ดเกลี้ยงสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่เหลือกลิ่นอายฉันใดผ้าหั่ทั้งหลายไม่ใช่น้อยเนี่ยนะท่านมีความเป็นผ้าหั่ก็จริงแต่ก็ยังมีความประพฤติ ท, ที่ประกอบเหมือนคนมีกิเลสเนี่ยนะเพราะอะไร เพราะเคยทิ่นกับอัธยาศัย น, นะเช่นความชั่วทางกายบ้างความชั่วทางวาจาบ้าง น, นะที่เป็นทุจริตเนี่ยนะเรียกว่าดูแล้วไม่เหมาะสมเช่นพระวัสุริชอบพูดว่าคนถอยเมือคําพูดแต่ละคําเหมือนคนกโกรธนะกันเถอะเหมือนคนมีโทสะเหมือนกับพูดไปด่าไปเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วไม่มีโทสะแต่อันนั้นเป็นกลิ่นอายของสมัยที่เคยมีกิเลสเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่เหลือกปลี่นอายของราคะโทสะโมหะหรือเรียกว่าความประพฤติพฤติกรรมทางกายวาจาเหมือนคนมีกิเลสเป็นต้นไม่มีพระองค์จึงเรียกว่าผู้ไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะและอันหนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ชนะฆ่าศึกภายในเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าชนเหล่าอื่นเนี่ยนะที่ชนะสงครามเป็นต้น ชนะคนอื่นเนี่ยนะเช่นชนะอะไรกระทั่งชนะด้วยกายก็ตามชนะด้วยวาจาก็ตามชนะด้วยการทำศึกสงครามก็ตามชนะเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกความชนะเหล่านั้นโดยมากก็เป็นชัยชนะที่พ่ายแพ้เนนะเป็นความชนะที่ไม่ได้ชนะแท้ชนะแน่นอนมั่นคงและถาวรเป็นความชนะที่พร้อมที่จะกลับมาแพ้อีกแต่พาะธรรมตสมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับชัยชนะที่ไม่กลับมาพ่ายแพ้เพราะอะไรเพราะชนะราคะแล้วไม่กลับแพ้แก่ราคะไม่กลับมาพ่ายแพ้ให้แก่โทสะไม่กลับมาพ่ายแพ้ให้แก่โมหะไม่กลับมาพ่ายแพ้ให้บาปและอกุศลเพราะเป็นการชนะชนะที่ชนะที่ใช้จริงชนะจริงๆคือชนะอะไรชนะใจตัวเองชนะใจที่มีราคะชนะใจที่มีโทสะชนะใจที่มีโมหะ ใจที่ประกอบด้วยทิฏฐิคะตะสัมปยุตเนี่ยนะพระองค์ชนะด้วยโสดาปฏิมักใจที่ประกอบด้วย ى, วิจิกิจชาพระองค์ก็ชนะด้วยโสดาปฏิมักใจที่ประกอบด้วยโลภใจที่เป็นโลภวิประยุต น, นะที่ฉาบทาลูบไลด้วยราก ى, ด้วยกามตะตัญหาหรือใจที่ประกอบด้วยโทสะพระองค์ก็ชนะด้วยอนาคามิมักอากุศลจิตที่เหลือทุกชนิด พงชนะด้วยอรหัตตมรรควันชนะใจตัวเองเนี่ยนะใจที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยนะฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้ที่ทําลายฆ่าศึกนะก็บอกว่าส่วนบุคคลที่เหลือนี่เลี้ยงศัตรูไว้เต็มหัวใจไปหมดเลยนะเลี้ยงศัตรูคือราคา่าศัตรูคือโทสะแล้วก็ศัตรูคือโมหะที่พระองค์บอกว่าอมิตรภายในอภมิตรอภมิตรก็แปลว่าตรงกันข้ามกับเพื่อนแปลว่าศัตรูภายในฆ่าศึกภายใน เพชะฆาดภายในผู้ฆ่าภายในผู้หักรานผู้ทําลายประโยชน์ในภายในคือราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยราคะโทสะโมหะยังจิตให้กําเริบอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็กําเริบด้วยราคะเดี๋ยวก็กำเริบด้วยโทสะเดี๋ยวก็กําเริบด้วยโมหะเนี่ยนะกำหนัดโกรธเคืองแล้วก็ลุ่มหลงโง่เขลาเนี่ยนะมันกําเริบด้วยราคะโทสะและโมหะ เป็นภยัภยภัยก็เป็นความน่ากลัวที่อยู่ในภายในยิ่งกว่าเลี้ยงเสือเอาไว้ในในใลิงกว่าเลี้ยงเสือเลี้ยงศัตรูเลี้ยงงูเหา่าเลี้ยงอะไรสารพัชชนิดสิ่งใดที่น่ากลัวในโลกเนี่ยนะราคะโทสะโมหะที่อยู่ในภายในเนี่ยน่ากลัวกว่านั้นเยอะอนะเช่นนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นมันน่ากลัวถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะไม่ไปเกิดในที่ที่มันน่ากลัวแบบนั้นหรอกเนนะเพราะราคะโทสะโมหะเนี่ย นำมาซึ่งสิ่งที่น่ากลัวสารพัดชนิดสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายในโลกถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะความน่ากลัวเหล่านั้นจะไม่มีเลยเพราะะฉนั้นความน่ากลัวทั้งหลายเรียกว่าภัยมันเป็นภัยภายในเนี่ยนะเขาบอกว่าเกลือเป็นนอนเนี่ยนะเกลือเป็นหนอนก็บอกไฟจากข้างนอกเข้ามาเผามันก็ดับไม่ยากแต่เผาไฟภา ย, ย, ยในที่มันเกิดปะทุจากข้างในแล้วมันเผาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดับยากฉันใดไฟสิ่งเหล่านี้ไฟคือราคะที่มันเผาสมว่องเนี่ยนะไฟคือโทสะไฟคือโมหะที่มันสมอยู่ในใจเนี่ยมันดับยากเนยนะอย่างเช่นโทสะเนี่ยนะมันแรงแต่ก็ดับก็พรดับยากแต่ก็ดับถือว่าดับง่า ย, ยนะตันหานี่มันไฟคือตันหานี่มันเผาอ่อนๆแต่ดับยากยากโมหะเนี่ยแรงมากเลยนะแล้วก็ดับยากจริงๆเลยนะ